ตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วก็ได้นั่งสมาธิกันประมาณสี่สิบห้านาทีด้วยกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติธรรมถ้าฟังธรรมไม่ได้เราก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันได้ความสงบได้ความสงขอีกรูปแบบหนึ่งก็คิดว่า พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวะริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะิุโตทินังเปตานังอุ ป, ปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติยวิวัชจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังอุทาปจายโน จตารโหเมาวทานติอายุวโนสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปจนกว่าฝนจะตกไอ <c oughs> ้กล้องดูท้าทาง ม, มันจะมืดอยู่ ยาก็แต่ตอนนี้ยังไม่ตกก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็จะถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือส่งเข้ามาทางเพจหรือทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ วันนี้จาก Facebook 233 YouTube Precious Life 129 YouTube Dr. V 119วิทยุออนไลน์7 Clubhouse 7หน้ากุฏิ120รวม615ท่านค่ะวันนี้ไม่มีเสียงถามเลยไม่มีคนฟังคนนั่งสมาี่มีน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีคนนั่งดู ถ, ถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้เลยคะคุณมัลติโบซอลยูนิตี้ความรู้เสมือนแสงสว่างจากต้นตอส่งกระทบสิ่งที่ถูกรู้เหมือนรัสมีหรือฉับพันตรังสีของดวงอาทิตย์กระนั้นไม่เห็นผู้รู้แต่ย่อมมีแหล่งต้นตอของความรู้เช่นนี้แล้วจึงยังรู้สึกว่ามีเราอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ ก็ควรจะสอนตนว่าความรู้สึกตัวมีตัวตนนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงให้เรารู้ว่าไม่มีแต่ตัวรู้แต่ตัวตนไม่มีมีแต่ผู้รู้แต่ผู้ที่เป็นตัวตนนี่ที่รู้ไม่มีเป็นเหมือนเปนเหมือนธรรมชาติเหมือนฝนตกฝนฟ้าอากาศไม่มีใครทําให้ฝนฟ้าอากาศตก ผลก็มันก็ตกไปตามเหตุตามปัจจัยของมันกลับนามัสการค่ะพระอาจารย์อยากจะสอบถามพระอาจารย์เรื่องธรรมทานนะคะพระอาจารย์ธรรมทานนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นทานอันสูงสุดเนี่ยทานทั้งปวงถูกต้องไหมคะถูกต้อง ทีนี้ค่ะเหมือนอ ย, อย่างเราอยากจะทำธรรมทานเช่นเราอาจจะเผยแผ่ธรรมะอาจจะพิมพ์เป็นหนังสือแจกหนังสือสวดมนต์หรือว่าแชร์ธรรมะทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าทำช่อง YouTube ทีนี้ส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับผู้ใหญ่ไว้ศึกษาอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นการเผยแผ่ธรรมะให้เด็กๆเราควรจะต้องเผยแผ่ธรรมะ ให้แง่คิดหรือว่าเป็นธรรมะด้านไหนคะพระอาจารย์คือการจะให้ธรรมะได้แต่ผู้อืน่นี่เราต้องมีธรรมะก่อนถ้าเราไปยืมธรรมะของผู้อื่นมานี้เราก็จะไม่รู้ว่าธรรมะบทไหนควรจะเหมาะสมกับผู้ฟังชนิดใดเพราะฉะนั้นโดยหลักทั่วไปแล้วการจะให้ธรรมะที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เน ต้องเป็นธรรมะที่เรารู้และเห็นด้วยตัวเราเองค่ะเรานำมาไปสอนแก่ผู้อื่นได้ถ้าเราไม่รู้แต่ถ้าเร า, เรายังอยากจะแบ่งปันธรรมะเราก็แบ่งปันธรรมะที่เราได้ศึกษาที่เราเห็นว่ามีคุณประโยชน์กับเร า, าแล้วก็ให้แก่ผู้อื่นไปไส่วนธรรมะข้อบุคคลกลุ่มไหนที่เราไม่รู้ก็เราก็อย่าไปกังวล ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเอาธรรมะแบบไหนให้กับเด็กๆเราก็ต้องผ่านไปเพราะมันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปคัดสรรธรรมะที่เหมาะกับเด็กนั้นได้แต่สามารถสอบถามครูบาอาจารย์ได้ใช่ไหมคะก็ได้ได้ ก็ถามผู้รู้ท่านท่าน ท, ที่รู้ท่านก็จะให้คำตอบได้ว่าสำหรับเด็กๆควรจะสอนอะไรบ้างค่ะหมดคำถามค่ะวันนี้คำถามคำถามฝากถามค่ะ หนูมีความผิดปกติไหมคะที่เวลามีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติโศกนาฏกรรมที่มีคนเจ็บคนตายจำนวนมากหรือแม้แต่ข่าวการตายของคนใกล้ตัวจิตใจหนูเฉยๆมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคิดตามคำที่หลวงพ่อมักเทศประจำว่ามีเกิดก็มีตายแต่เมื่อก่อนจะจิตตกมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์แต่เดี๋ยวนี้มันเฉยๆคะ่ะก็พระรามีธรรมไง ถ้าเรามีธรรมใจเราก็จะนิ่งจะสงบจะรับความความเป็นจริงได้ถ้าเรามีกิเลสมันก็จะรับไม่ได้กิเลสเป็นตัวต่อต้านความเป็นจริงกิเลสอยากจะให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเที่ยงนั่นเองอยากให้สิ่งที่มันทุกข์ให้มันเป็นสุข อยากให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราให้ได้พอมพอหตุการณ์เกิดขึ้นมันไม่เป็นไปตามที่เราที่กิเลสต้องการใจก็จะเศร้ากายก็ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีธรรมคอยสอนใจจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมว่าไม่มีอะไรเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ต้องมีวันสิ้นสุดต้องมีวันพัดผาจากกันไปในที่สุดถ้ามีความรู้อย่างนี้อยู่ในใจพอเหตุการณ์เกิดขึ้นมาใจเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเราเห็นความจริงเรารู้ความจริงอยู่แล้วรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนดินฟ้าอากาศเรารู้เดี๋ยวมันฝนจะตกพอมันตกเราก็เฉยๆไปไม่เดือดร้อนอะไรน้ําท่วมเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกค่อยไม่ค่อยเดือดร้อนกันแนละ ก็รู้มันต้องท่วแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าอยากให้มันไม่ท่วมมันก็จะทุกข์จากผู้รับฟังหน้ากุฏิการปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติต้องถือศีลแปดด้วยไหมคะจึงจะได้บุญจากการปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆค่ะก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าเราปฏิบัติ แบบวันละครั้งสองครั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องถือศีลแปก็ได้แต่ถ้าเราต้องการปฏิบัติแบบเป็นเต็มที่เอาเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับมาให้กับการปฏิบัติเราก็ต้องถือศีลแปกันเพราะศีลแปจะกันหรือป้องกันไม่ให้เราไปทํากิจกรรมทางอื่นนั่นเอง ไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการดูการฟังการน้องนาทำเพลงการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเป็นต้นอันนี้เราต้องถือศีลแปลดถ้าเราอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ถ้าเรายังไม่ถึงระดับนั้นเราเพียงแต่อยากจะฝึกปฏิบัติทำเวะลาครั้งสองครั้งตอนเช้า ตอนเยาออกไปทำงานตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ต้องถือศีลแปดก็ได้ตอนเย็นกลับมาก่อนนอนก็นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนตอะไรทำนอง น, นี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดได้ยังไดขอให้เขาเข้าใจความหมายของศีลแปดศีลแปก็คือเป็นการห้ามไม่ให้เราเอาเวลาที่เราว่างนี้ไปทากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เวลาที่ว่างที่เรามีเช่นในวันหยุดให้กับการปฏิบัติอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือศีลแปดถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวใจเราอ่อนเดี๋ยวอยากจะดูอะไรก็เปิดเครื่องขึ้นมาดูอยากจะฟังอะไรก็ฟังอยากจะคุยกับใครก็คุยอย่างนี้ก็จะทำให้เสียเสียเวลาอันมีค่าไปไม่ได้ปฏิบัติ ถ้าอยากจะเอาเวลาที่เราว่างที่เรามีอยู่เช่นในวันหยุดเนี่ยทั้งวันให้กับการปฏิบัติเราก็ต้องห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางอื่นทำเพียงแต่เรื่องที่จําเป็นเช่นการเลี้ยงดูร่างกายอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรทำนอง น, นี้ดูแลความสะอาดของบ้านช่องนั่นนี่ยนนั้นก็เอาเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็ต้องถือศีลแ ามาอีกรอบแล้วน่าฟังนะคุณธนาถ้าชอบคิดปรุงแต่งคิดไปเองจะแก้ไขอย่างไรครับไม่ได้ยินคำถามมันเสียงมันดังคุณธนาถ้าชอบคิดปรุงแต่งคิดไปเองจะแก้ไขอย่างไรครับใช้ธรริกรรมพุโทโธพุโทโธ ถ้าชอบคิดตงแต่งก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือสวนอีทิปิโสไปก็ได้มันก็จะทำให้ไปคิดตกแต่งไม่ได้คุณ a อ a เมื่อวานพระอาจารย์เทศเรื่องกรรมที่เป็นกลางๆเช่นการอาบน้ำแปลงฟันทานข้าวเป็นต้นเลยคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นการมีสติในอริยบทเหล่านั้นให้มากที่สุด จะเปลี่ยนกรรมกลางๆให้เป็นกรรมดีแทนโยมเข้าใจถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องเพราะเป็นการเจริญสติเป็นธรรมที่สำคัญต่อการสร้างสมาธิและปัญญาตามลาดับต่อไปคุณสติวเอ็นคุณพ่อบางทีใจร้อนพูดจาไม่ดีกับคนในบ้านเราเป็นลูกควรบอกหรือไม่คะถ้าพ่อไม่ถามก็มไม่ควรบอกนะ ถ้าพ่อถามว่าเราใจร้อนไหมเราก็บอกท่านได้โดยธรรมโดยมารยาทเราไม่สอนพ่อพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรู้ว่าท่านเป็นอะไรอยู่แต่ว่าท่านยังควบคุมอารมณ์ของท่านไม่ได้เราต้องเข้าใจและให้อภัยท่านไม่ควรที่จะไปก้าวร้าวไปสั่งสอน เพเป็นการเสียความเคารพและทําให้ท่านจะเสียใจได้คุณขวัญ น, นเรศเรื่องของจิตของคนครับทําไมจิตของคนส่วนมากไหลลงที่ต่ําซึ่งในความเป็นจริงจิตใจของคนมันต้องเจริญเติบโตตามอายุไม่ใช่เหรือครับจะทําอย่างไรให้จิตคนทั่วไปสูงขึ้นตามอายุหรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาไม่ให้ไหลลงจู่ที่ต่ําครับ คือจิตไหลลงหรือขึ้นสูงนี้มันอยู่ที่กิเลสหรือธรรมถ้าใจมีกิเลสมันก็จะดึงเลาะไหลลงต่าถ้าใจมีธรรมมันก็จะขึ้นสูงแต่คนส่วนใหญ่ที่มาเกิดในโลกนี้เป็นคนที่มีกิเลสมากกว่ามีธรรมคนที่มีธรรมได้มีน้อยมีบ้างอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานตถาวกนี่ท่านมีธรรมมา ท่านเลยเดืองใจของท่านให้ขึ้นสูงได้แต่คนส่วนใหญ่นี้จะเดิงมให้ลงต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราขึ้นสูงเราก็ต้องหมั่นศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างธรรมให้เกิดขึ้นมาภายในใจพอมีธรรมมากขึ้นใจก็จะขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมปล่อยให้อานาจของกิเลสครอบงาจิตใจ กิลเลส ก, ก็จะคอยดึงให้ใจลงต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจหลักนี้ถ้าเราอยากจะให้ใจเราขึ้นสูงเราต้องมีธรรมถ้าถ้าเราไม่ต้องการให้กิไม่ให้ใจลงต่ำเราต้องคอยปรามกิลเลสตัณหาคุณภูมิอบยมุขหกคือห้ามผิดศีลข้อเจ็ดด้วยใช่ไหมครับ และกุศลกรรมบทสิคือศีลห้าหรือศีลแปดหรือศีลสิบครับเราก็ไม่ทราบรายละเอียดลึกไปขนาดนี้นะเราก็ทราบเพียงแต่อบายามุขห้าคือไม่เด่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เทีย่ยวเตรไม่เกียดคร้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิตร คุณครูบอยการนึกภาพโครงกระดูกแล้วบริกรรมว่ากระดูกกระดูกกระดูกไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็เป็นวิธีที่เราจะใช้กับการนั่งสมาธิก็ได้เพราะว่ากระดูกนี่ก็เป็นอารมณ์หนึ่งเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกได้ถ้าเรานึกภาพของโครงกระดูก <c oughs> จะระลึกคําว่ากระดูกกระดูกด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้าเราสามารถนึลืกภาพอยู่ในขณะที่เรานั่งหลับตาได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของสมาธิได้และในขณะเดียวกันก็จะเป็นปัญญาด้วยเพราะมันจะเป็นความรู้ที่จะฝังอยู่ในใจเวลาที่เราเห็นใครที่เราคิดว่าน่ารักน่าดูน่าชมพอเรานึกถึงโครงกระดูก ข, ของเขาเราก็จะได้รู้ว่าเขาเพียงแต่มีบางส่วน ที่น่าดูแต่ส่วนที่ไม่น่าดูก็มีอยู่มันก็จะช่วยปราบความอารมณ์รักของเขารักกับคนร่างกายของคนอื่นได้คุณแทนใจถ้าเรารู้จักหักห้ามใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยอมขัดใจตัวเองแต่อาทําให้คนอื่นเขาเสียใจเราจะบาปไหมคะพระอาจารย์ถ้าเราไม่ได้ไปกระทําร้ายของก็ไม่บาป ไม่ไม่ไปทุกตีเขาไม่ไปด่าเขาเพียงแต่ไม่ทำตามที่เขาต้องการให้เราทำเท่านั้นเองอันนี้ไม่บาปแต่อย่างไดงคุณคุณผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมคำว่าเราไม่มีตัวตนอยู่ในที่ไหนๆจริงหรือไม่ครับคือตัวตนเป็นสมมุติที่เรา สร้างสาร์งินขึ้นมาเองด้วยความคิดของเราด้วยความจำของเราเราคิดเราจำว่าเราเป็นตัวตนเราเป็นตัวตนจนกระทั่งมันฝังเป็นความรู้สึกไปแต่ความจริงเราเป็นตัวรู้ผู้รู้ท่านเองผู้รู้ผู้คิดท่านเงเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดตัวตนไม่มีคุณปีรัต การแยกกายกับจิตออกจากกันในระดับฌานสี่จะมีความรู้สึกอย่างไรเหรอครับรไม่เคยได้ยินการแยกกายกับจิตออกจากกันในระดับฌานสี่จะมีความรู้สึกเช่นไรครับอ๋อก็ต้องทําเองถึงจะรู้พูดไปยังไงก็ไม่รู้หรอกนะแล่พยายานั่งสมาธิไปพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะแยกออกจากกันให้เราเห็นเอง คำ <lijk> ถามต่อเนื่องค่ะถ้ามีการเจ็บปวดที่กายสังขารจะยังรู้สึกปวดเหมือนเดิมไหมคะถ้าแยกกายกับจิตได้ค่ะก็จะรับรู้ความเจ็บได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่รู้สึกสะทกสะทังกับการเจ็บนั้นหรือถ้าจิตแปรรวมเต็มที่มันก็จะไม่รับรู้ความเจ็บไม่รับรู้ร่างกายเลยก็มีคุณปิยรัตน์เมื่ออยู่ในสมาธิ ถ้ารู้สึกสงบนิ่งรู้แค่ลมหายใจสักพักเริ่มกลับมานึกคำบริกรรมพุโทโธออกแบบนี้ต้องวางอุเบกขาต่อไหมคะแล้วต้องออกจากสมาธิตอนไหนถ้าอยากออกจะออกเลยได้ไหมคะนั่งสมาธินี้ไม่ควรจะอยากออกควรจะอยากเข้าแล้วเข้าล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆเพราะมันเป็นสภาพที่มีความสุข ความสุขที่เหนียวกับความสุขทั้งปวงถ้าเราได้เจอความสงบจริงเราก็จะไม่อยากออกถ้าอยากออกก็แสดงว่าใจเรายังไม่สงบพอยังไม่มีความสุขจากการนั่งสมาธิถ้าห้ามใจห้ามความอยากออกได้ก็พยายามห้ามพยายามฝืนให้มันนั่งต่อไปให้นานที่สุดแต่ไม่ให้นั่งเฉยๆให้นั่งด้วยการมีสติอยู่กับคาบาลีรมพุทโธพุทโธพุทโธไป หรืออยู่กับการดูลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบต่อไปได้คุณเอื้องการกระนิตการตัดนิวรห้าใช้วิธีอย่างไรเจ้าคะก็ใช้ธรรมะแต่ละชนิดแก่ไงนิวรห้าเหมือนเป็นโรคของร่างกายปวดหัวก็หายาแก้ปวดหัวมากินปวดท้องก็เอายาแก้ปวดท้องปวดเท้าก็หายามาทา ันนิวรณก็เป็นเหมือนอาการเจ็บไข้ของใจนั่นเองเช่นความฟุ้งซ่านก็ต้องใช้สติมาแก้ถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธคอยกำกับใจอยู่เรื่อยๆใจก็คิดฟุ้งซ่านไม่ได้ถ้าเกิดการมารมณขขึ้นมาก็ให้ใช้อสุภะให้พิจารณาการส2มองของร่างกาย พิจนาซากศพพ อ, อหเห็นซากศพเห็นอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังความการอารมณ์มันก็จะสงกตัวลงได้ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นมาก็ให้ใช้ความเมตตาเสรือให้อภัยคนที่เขาทําให้เราโกรธอย่าไปถือโทษโกรธเครืองอย่าไปอาฆาตพยาบาดคิดเสียว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็จบไปนานแล้วนั้นเราพยายามหยุดคิดให้อภัยหรือว่าเป็นอาจจะเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันก็ได้เรา จ, จะไปทำอะไรเขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องกลับมาทำให้เราไม่พอใจคือก็สัมการให้ลืมให้อภัยแล้วใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติได้ คุณทิติชายานใช้เฟซอย่างมีประโยชน์คือการเปิดอ่านเฉพาะหลักธรรมเหมือนอ่านหนังสือในห้องสมุดเน้นทั้งอ่านธรรมะและปฏิบัติธรรมและแชร์ต่อเพื่อเพิ่มธรรมทานหดูเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าค ะ, ะาาใช้เฟซอย่างมีประโยชน์เปิดอ่านเฉพาะหลักธรรมเหมือนอ่านหนังสือในห้องสมุดเน้นทั้งอ่านธรรมและปฏิบัติธรรม และแชร์ต่อเพื่อเพิ่มธรรมทานหนูเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องสื่อนี่ก็เป็นเหมือนมีดนะที่เราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้หรือเอาไปใช้ให้เกิดโทษก็ได้แล้วเราต้องรู้จักใช้สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นอยไปใช้ให้มันเกิดโทษกับตัวเราหรือกับผู้อื่นเ็นหายคุณขวัญนรัต วิธีปฏิบัติธรรมอย่างไรที่คนทั่วไปในสังคมทำได้ง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุดครับจะท่องพุโทโธไปทั้งวันในวลาใดจำนึกได้ว่าเราไม่รู้จะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปลีอยเป็นวิธีง่ายๆแต่ทำยากเพราะใจเราชอบคิดไม่ชอบพุโทโธนะเราต้องคอยเตือนใจว่าต่อไปนี้เราต้องมาเปลี่ยนวิถีการ การดำเนินของใจเราแย่ปล่อยให้คิดถ้าไม่มีธรรมจำเป็นต้องคิดถ้ามันคิดกล้มาคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธเธอคุณวาสนาเวลานอนหลับจิตไปอยู่ที่ไหนครับจิตอยู่ที่เดิมจิตไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเวลาตื่นเมื่อเวลาหลับจิตก็อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิปไม่ได้อยู่ในร่างกาย <Yeah. S 1> จิตเพียงแต่ส่งกระแสวิ ญ, ญญาณมารับรู้ รูปเสียงกลิ่นรที่มาสัมผัสทางตาหูจมูก ข, ของิงของร่างกายนี้ท่านนั้นเองแต่จิตไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ที่เดิมคุณประยงทุกครั้งหลังสวดมนลูกจะตั้งจิตถวายบุญนี้แด่พระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์และขอได้ติดตามพระพุทธศาสนาทุกพบทุกชาติไปลูกทำถูกหรือผิดเจ้าคะก็เป็นความปรารถนาดี แต่มันจะเป็นผลไม่เป็นผลอยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติทำจนบรรลุธรรมเราก็จะช่วยกัน ร, รักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปได้แต่ถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมนี้ก็ยากที่จะทำให้ศาสนายั่งยืนต่อไปหมดแล้วนะคำถามถา ม, มีใครอยากจะถามอะไรบ้างไหมทางบ้านทางที่นั่งอยู่ที่นี่ ไม่รู้จะทำไงดีไปไหนก็ไม่ได้นั่งสมาธิอีกรอบดีไหมเอานะานั่งกันต่ออีกรอบหนึ่งจนกว่าฝนจะหยุดแล้วก็แยกกันกลับขาแล้วกันนะ